พระธรรมเทศนาแผ่นที่99าลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13พฤศจิกายน2559มีชื่อเรื่องว่าปล่อยวางความหลงผิดไปของน้ำที่น้ำท่วม ในวัดของเราก็อย่างที่หลวงพ่อผมได้เรียนให้พาลูกหลานได้ทราบอสรพิษมันก็มาพร้อมกันพอน้ำท่วมอสรพิษไม่มีที่อยู่มันก็ลอยมาตามน้าจากนั้นก็ขึ้นบกก็คือวัดของเราเป็นเกาะโดยมากมันจะเป็นงูอสราพิษ แต่พวกงูเหลืองูอะไรเราก็ไม่กลัวหรอกแต่ถ้าเป็นงูเหา่างูจงอางนะ่ะมันขึ้นมาอาศัยวัดเราเพราะนั้นไอ้เวลาเข้าห้องน้ํากะระมัดระวังเวลาเข้าไปอย่าไปเหมือนแต่ก่อนพูดพาดเข้าไปเลยไม่ได้นะถ้าเป็นไปได้ทํามันมื่อเดือดเราก็ส่องไฟดูก่อนถ้าว่าเป็นห้องน้ําส่วนตัวของเราเราก็ควรจะปิดไว้ให้ดีแต่มันติดกับดินนะ อย่างห้องน้ำที่ปูกระเบื้องหรือห้องน้ำํำคอนกรีตหรือปูกระเบื้องเราต้องปิดไว้อย่าไปเปิดไว้ทาไม่จาเป็นพอเป็นโอกาสที่ให้อสรพิษเข้าไปทางกบเขียดเข้าไปกระโดดเข้าไปมันหลบหลีกหนีอสรพิษอสรพิษก็ตามเข้าไปไงตามเข้าไปนะี่ไปกินกบเขียดแล้วก็เป็นนอนอยู่ที่นั่น แต่เราเข้าไปก็ไม่ระมัดระวังอันตรายนะอันนี้คือพวกเราอยู่ในป่าต้องระมัดระวังเพราะว่ามันพิษภัยมันอันตรายมันมันมีงูเห่างูจงอางอ่ะแต่งูอย่างอื่นเราไม่ว่าหรอกมันก็มีงูคอตรงคอแดงอันั้นมันก็มีอยู่งูไม่ไม่มีอสไม่มีพิษนะแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าเราเห็นแล้วก็ก็หาหมูพวกเพื่อนไปจับ ผู้ที่ชํานาญในการจับแต่ผู้ไม่เคยอยากจับเด็ดขาดนะอันตรายมากการรู้จักพิธีการจับแล้วก็จับไปปล่อยจับใส่ปิ๊บใส่อะไรไปปล่อยไกลๆออกจากวัดของเราอันนี้เราก็เคยเคยทำจากวัดป่าบ้านตาดถ้าใครเห็นงูอะไรก็ตามจับหมดจับไปปล่อยที่อื่น เราไม่ฆ่ามันหรอกนะตาว่าเราถ้าเอาไว้มันจะอยู่ที่เก่านะอย่างงูสามเหลี่ยมงูแมวเนชะ่าถ้ามันอยู่จอมปลวกไหนเวลาเราเดินอย่งกรมมันจะออกจากจอมปลวกนั่นแหะมันไปที่ไหนมันก็จะมาพักอยู่ที่จอมปลวกนั้นบางทีเราเผลอนะออบางทีล้มไม่ได้จุดไฟอันตรายหลว ง, งพ่อเองก็เคยไปจับ ที่วัดหลวงปู่เพียนพระทั้งกกลัวใช่ไหม เ, เห็นกลัวจนไม่เดินจงกมรมป่าว ง, งูงูแมวเสาวงทำทานมันออกมาจากจอมปลวกนั้นหลวงพ่อก็ไปพักอยู่ที่นาวบอกผมเดี๋ยวผมจะจับให้ดันก็เตรียมปิ บ, ปบไว้นะพระก็เตรียมปิบไว้มันก็ออกมาจริงๆผมก็ไปเห็นโอ้ แต่โอ้โหตัวนี้มันเปรี้ยวมากเลยนะต้องจับให้แน่นทีเดียวเลยพอจับเสร็จแล้วก็นนะั้นวางลงไปในปิปิดบอกเอาไปปล่อยไกลๆนะอย่าปล่อยปลยใกล้นะไปปล่อยลงนูนะ่นลงน้ำอ่าไปปล่อยน้ําซีดนะ่ะพระก็เลยก็ถือไปปล่อยกลางคืนหนะ่ะไปปล่อยลงน้ํอาอ่าแม่น้ําซีดนะีน่นะคือมันอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ตรงนั้นอยู่แถวนั้นอนะ่ะงูนี่นะงู แมวเซานะแต่พิษร้ายนะถ้ามันกัดใคยแล้วก็แปลว่าไม่รอดงูตัวนี้งูสามเหลี่ยมไนอะ้จีปองดํำขาวดําขาวดําขาวดาเหลืองขาวดําเหลืองขาวตัวใหญ่ใหญ่ให้ระมัดระวังตัวนี้อันตรายมากแล้วก็งูเหา่างนะูตจงอางฮแต่ไม่พูดทางนี้เท่านั้นไม่ต้องกลัวแต่ให้ระมัดระวังท่านเองมันไม่ใช่วจะกระโดดมา ก, กัดเราไม่ใช่ แต่เราเผลอเข้าไปเราเองนะ่ะถ้าเรามีไฟฉายดูไปได้วยความรอบคอบมันจะนั่นแนหะไม่น่ากลัวผมเคยอยู่กับสัตว์สัตว์เหล่านี้เลื้อยคานเหล่านี้มามากตัวมากแล้วเพรา ะ, ะนั้นผมจึงบอกวิธีกรรมพิธีการให้พวกเราเดินไปตามถนนห น, นทางต้องระมัดระวังอย่าไปชักใจอย่าไปคุยกัน เดินด้วยความระมัดระวังอพิษภัยที่มันอยู่ข้างๆถนนถ้าว่าเดินไปข้างกําแพงเราเดินคุยกันโดยที่ไม่ได้มองเวลาเดินข้างกําแพงเราจะเลือบตาไปดูข้างกําแพงอยู่ตลอดทําไมจึงเหลือบตาไปมองเพราะว่างูเห่าก็ดีจงอางก็ดีมันไปถึงกําแพงแล้วนะมันไม่มีที่ไปแล้วนะมันก็ มันก็จะเลื้อยเรียบกำแพงไปเรื่อยๆนะถ้าเราเดินไปเรียบกำแพงไปนะมันจะตะวัดออกมาเลย น, ะนั่นแหละ <c oughs> เราเนี่ยทายัางไงเราไม่ได้ตั้งท่าตั้งทางไม่ได้เตรียมพร้อมอันตรายนะนะเพราะนั้นเวลาเราเดินปัดกวาดก็ดีเดินแต่ปัดกวาดไม่เป็นไรเราปัดกวาด ม, มันได้ยินเสียงมกกันก็ไปแล้วแต่เราเดินไปทรบันดาลทีมันอยู่ลเลาะกาแพง อติดกําแพงมันมีปลาญ้าอีกต่างหากพอเดินไปใกล้นะั่นอ่ะมันไม่มีที่ไปมันก็กลัวคนเด้มันกระโดดออกมาตวัดตัวเทงตัวออกมานะอันนี้แหละเคยมีในวัดของเราอันนี้ก็ให้ระมัดระวังสรุปแล้วก็คือให้ระวังนะในช่วงในช่วงที่น้ําท่วมนมันไม่ใช่แต่น้ําท่วมผ่านไปแล้วอสรพิษมันเข้ามาอาศัยใน ที่วัดของเราเพราะวัดของเราเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์วัดที่แห่งหนึ่งป่าที่หนานแน่นด้วยวัชพืชตําๆเป็นที่อาศัยของสัตว์ด้วยนะไม่ใช่อาศัยแต่พวกเราแต่ที่ยังไงก็ถนนหนทางเราก็กว้างพอสมควรที่พวกเราจะดูความปลอดภัยสําหรับพวกเราเว้นเจริญพวกเรา ชราใจแล้วว่าไม่ใส่ใจก็น่ะที่ตือนเตือนเอาไว้นะกลางค่ำกลางคืนต้องมีไฟไปที่ไหนต้องมีไฟฉายไฟฉายเราก็มีอยู่แล้วแต่เราเป็นดูทางไกลวัดกุฏิเราอยู่ไกลนลเราไม่ควรจะมีไฟฉายกระบอกเดียวควรจะมีไฟฉายสำรองก็บอกเล็กกระบอกใหญ่สำรองไปไปด้วยทามันหมดฐานกระทานหัน เราจะได้ใช้กระบอกเล็กสำรองขึ้นมาอนะีเนี่ยแหละอันนี้แหละคือความรอบคอบในการเดินทางบางที่ว่าไม่ใช่ว่ามีกระบอกเดียวหมดแล้วจะทำยังไงเดินซุ่มซ่ามไปแล้วไปเหยียบงูเราทำไงชีวิตของเราทั้งชีวิตขาดความรอบคอบเพราะเราไม่ได้คิด สิ่งเหล่านี้นให้พวกพระลูกหลานทั้งหลายที่หลวง พ, อพ่อพพดให้ฟังเนี่ยนะคือวิชาความรอบครอบนะวันนี้เป็นวันที่สิบสามพฤจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าแล้วก็ ที่น้ำท่วงวัดเราก็วันที่เก้านะมากเลยสามสี่วันแต่วันนี้ผมได้นิมนต์หมูม่พเพื่อนมาไปชมเพราะว่าผมอาจจะได้ออกไปทำธุระบ้างคงไม่กี่วันหรอกคงจะกลับมาแต่ยังไงก็ข อ, ขอให้พวกเราเพราะว่าการไปคราวนี้คงยิมีพระไปด้วยหลายองค์พระในวัดของเรา เพราะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายก็ให้ช่วยๆกันดูนะมีอะไรก็ทำเท่าที่จะทำได้เราไม่ให้หนักหนาหช่วยๆกันดูแลและก็ช่วยกันรักษากิ จ, จวัตร้อวัดภายในวัดของเราในเรื่องทะเลาะบ่ำแว้แงกันเรื่องไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่าไม่รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่อย่าได้มีในวัดของเรา เราต้องมีสัมมาคารวะต่อสหธรรมิกโตเพื่อนต้องผู้ถือผู้น้อยผู้ใหญ่ เ, เหมือนกันนายสิบต้องเคารพนายร้อยนายร้อยลักษณะอย่างนั้นแหละนายร้อยลัเคารพนายพันนายพันเคารพนายพลลักษณะอย่างนั้นตามขั้นตอนนพพุทธศาสนายิ่งละเอียดกว่านั้นอีกใครบวชก่อน เ, ออเพียง นาทีเดียวก็มีเป็นอาวุโสเหนือกว่าใครบวชหนากขวาก็เป็นอาวุโสของหนักซ้ายนะใครเป็นหนักกลางกันเหนือกว่าหนักซ้ายอีกทั้งที่บวชขณะเดียวกันบวชเวลาเดียวกันนี่แหละอันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาต้องเคารพตามอายุพรรษา พนั้นขอให้ภาคพระลูกหลานทุกองนะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความเอื้อเฟื้ออื้ออารีต่อกันมีเมตตาต่อกันรักเคารพกันมีอะไรขาดเหลือขาดตกอะไรด้วยปัจจัยสี่ก็บอกกล่าวกันให้ดูแลกันอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของพระ ไม่ว่าไปอยู่ณนะสถานที่ใดเราเป็นพระให้ถือว่าเราเป็นพระเราไม่ใช่เป็นครวญญาติโยมทำตนยังไงเราเป็นพระอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเป็นพระศักยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเราต้องอยู่ในหลักพระธรรมอยู่ในพระวินยัย อยู่ในสีรายจารวัดกิ จ, จวัตรข้อวัดเราจะได้ขาดตกบกพร่องให้ช่วยกันดูช่วยกันแลหมู่พวกเพื่อนมอบหน้าที่อะไรให้เราเราให้ทำทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะห ม, หมู่หมู่พวกเพื่อนมอบให้ทำถ้าอยู่เวรไหนเราก็ทำหน้าที่เวร น, นั้นให้ดีที่สุด เพราะหมู่มอบหมายให้ทำหน้าที่เมื่อเราบุกหมดหน้าที่แล้วก็เออเราก็ไปทำหน้าที่ส่วนตัวแล้วก็องอันไหนที่ทำหน้าที่แทนอีกก็ทำหน้าที่ให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจอสําหรับหมู่พวกเพื่อนอที่มอบหมายมอบฝังให้เราทำหน้าที่นั้นๆไม่ใช่ว่าทำได้รับหน้าที่มอบหมายให้แล้ว ทำแบบไม่ช่ใจทำเลอะเละแหละผลที่สุดคือเสียการเสียงานเสียเรื่องของวัดวาศาสนาหมู่พวกเพื่อนก็ไว้เนื้อเชื่อใจว่าท่านองคนั้นมอบหมายให้ทำแล้วพอทำเสร็จแล้วนะไม่นักไม่อยู่นักทักษะหน้าที่เหมือนกับนายทหารนาทหารเวรเขาตั้งไว้เป็นทหารเวรนะอยู่เวร ตัวเองหลบไปอยู่ที่อื่น เ, เวลามันมีอริจัตรรูค่าศึกเข้ามาในขณะที่ตัวเองอยู่เวรยามเสียหายทั้งกองทั้งกรมทั้งกลองนี้ก็เหมือนกันนะั่นะถ้าหมูพกเพื่อนให้เราอยู่ทาหน้าที่อะไรเราต้องทาหน้าที่รักษาให้ดีอย่าให้ขาดตกบกพร่องในหน้าที่ของของเร า, เาไม่ใช่ว่า หมู่พกเพื่อนให้รักษานะทะเลถลายไปทางอื่นจนเกิดความเสียหายผลี่สุดคนนั้นใครเป็นคน อ, อยู่เวรในข่าวนี้ครั้งนี้ถ้ามันขาดตุกบอกว่ามันขายขี้หน้าตัวเองอย่างมากเลยนะบอกยี่ห้อเลยแปลว่าขาดความรับผิดชอบอย่างมากๆหมู่เพียงให้อยู่เพียงเจ็ดวันก็ยังรักษาหน้าที่การงานตัวนี้ยังไม่ได้ วัน้อย่าให้ขาดตุกปกพองนะใครทำหน้าที่อะไระหมู่พเพื่อนม อ, มอบความไว้วางใจให้เราทำหน้าที่นั้นๆนี่แหละอันนี้ก็ถ้าผมไม่ย้ำไม่เตืนอนพวกเธอท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายคงจะทำแบบไม่ใส่ใจในเมื่อมันไม่ใส่ใ จ, จเสียใครเสีย วัดวายศาสนาเสียการปกครองพอมันเสียขึ้นมาแล้วเราจะมาคิดที่หลังจะทำอะไรไมันเกิดประโยชน์ไหมมีแต่เสียใจเท่านเองเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะที่หลวงผมพูดผมเคยศึกษามาจากองค์หลวงตาแล้วสมัยอยู่กับหลวงต า, นะ เ, าเวลาหกโมงปิดประตูนะถึงใครจะไปยังไงต้องปิดประตู ต้องปิดใครจะมาทีหลังก็ยังค่อยว่ากันเพราะพระที่อยู่พราะที่อยู่น้องปิดท่านนายเอกลวานะในวัดของเรารู้ไหมบางทางมีใครเข้ามาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นใครเป็นคนรับผิดชอบเรานะเราเป็นหัวหน้านะท่านไม่ได้รับผิดชอบนะเราเป็นหัวหน้านะ แต่ท่านเป็นผู้ดูแลตามตัวนั้นต้องปฏิบัติตามที่เราสั่งเราบอกอย่าขาดตับกห้องใ้เวลาปิดถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนั่นละท่านจะต้องถึกสอบท่านหน่องคงหนึ่งทำไมยังไม่ปิดประตูมีเล็ดไหนอะไรเสียงเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนะท่านต้องดูนะ นี่แหละผมศึกษามากับองค์หลวงตาเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าเวลาค่าาแล้วต้องปิดประตูนะแต่ผมก็ไม่ได้เข้มงวดกวดขานเหมือนหลวงตาอแต่ว่าความหมายในการปิดประตูของผมนั้นก็อย่างที่ผมพูดให้พวกเธอท่านั้งหลายได้ฟังนี่แหละบางครัง้งบางคราวก็มีผู้ที่เข้ามาพักในวัดของเราเอาก็เป็นแขกที่เอเราต้องการ ให้ดูอย่าได้มีปัญหาเนะพราะฉะนั้นพระในวัดของเราทุกองที่ทรงพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้น น, ะนี่แหละที่ในผมเคยได้อยู่กับองค์หลวงตามาหลวงตานี่ยสอนผมอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นผมจึงถ่ายทอดให้กับหมู่พกเพื่อนได้ยินได้ฟังอถึงอย่างไงทํามันมีปิดประตูแล้วยังมีอะไรเกิดขึ้นอันนั้นก็สุดวิสัยแต่หาว่าเราปล่อยปากละเลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอนะันไะองค์นั้นละ่ะ ต้องรับผิดชอบอย่างน้อยก็ถึกสอบทําไมนี่แหละเสียงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะขอให้พวกเราทุกๆท่านให้ช่วยช่วยกันคิดรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็พร้อมกันก็ให้พวกเราตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาต้อง อ, อกทั้งใจประพฤติปฏิบัติเราผมย้ําแล้วจาย้ําอีกถึงจะย้ําตอนเช้าแล้วก็เถอะ เราก็บวชมาเพื่ออะไรเรามุ่งหวังอะไรเราต้องการอะไรต้องการรามยศสนะเสริญใช่ไหมต้องการเงินใช่ไหมถ้าเราต้องการเงินต้องการลาบเราจะมาบวชทำไมถ้ามาบวชที่นี่แปลว่าผิดที่ผิดทางแล้วอลองนูน่นต้องไปกีดยางต้องไปทำงานต้องไปหาเงิน เงินที่เกิดมาในวัดของเราจะตุปัจจัยที่เกิดมาในวัดของเราเป็นปัจจัยเพื่อเขาบูชาผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบผู้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกเราเป็นค่าน้าําค่าไฟค่าเอาห้อาหารค่าพระภิกษุเจ็บไข้ได้ป่วยท่านเขาไม่ได้ให้เรามาเอามาทำมาให้มาล่ํามารวย แล้วก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ใช่อันนี้เราในฐานะที่เราเป็นพระเราก็ต้องใช้ให้ให้รู้จักประมาณในการรักษาในการใช้ที่เขาจบแล้วจบอีกอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกใส่จบใส่หัวเขาเราจะมาทำทําเล่นๆมาออกมาใจแคเล่นๆสนุกสนานเล่นๆ น, นั่นละ่ะเป็นหนทาง เป็นหนทางนรกพูดง่ายๆเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นการที่จะทำจริงไหนก็ตามต้องมีเหตุผลอย่างที่ผมพอดพูดก่อนที่จะแสดงก่อนที่จะพูดผมถวายครูบาอาจารย์ด้วยเหตุผลอะไรผมมีเหตุผลอย่างนั้นผมจึงได้มอบถวายจึงได้มาเรียนให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบนี่แหละอันนี้ก็คือการที่จะถวายอะไรการที่จะทาอะไร มันต้องมีเหตุมีผลซะก่อนในจุดนั้นไม่ใช่ว่าทำแบบไม่มีเหตุมีผลใช้จ่ายไม่มีเหตุมีผลอิรุยชุยแชกเหมือนกับเขาตัวเองได้มาเหมือนตัวเองเป็นผู้ฉลาดเขาเป็นผู้ถวายมาเน่ยเหมือนกับเขาไม่รู้จักอะไรแต่ตาไม่เย็ยนคนฉลาดจะตกนรกเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักการได้มา ที่เขาถวายมาเขาคิดเจตนาอะไรเรารู้เจตนาของเขาไหมเขาเจตนาคือเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อบำรุงพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาด้วยปัจจัยสี่เพื่อจะให้ท่านได้บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อจะให้ท่านบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้ดูนําหน้าที่เขาอยู่เบื้องหลังเขาทําไม่ได้อย่างพระ เพราะนั้นเขาจึงส่งเสริมให้พระอยู่ทางหน้าเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติอย่าได้ขาดตกบกพร่องจนเกินไปก็ให้อยู่ด้วยความสะดวกสบายตามอัธภาพของพระนี่แหละแต่พวกเราได้มานะใช้แบบฟุ่มเฟือยตลอดหน้าตลอดหลังฮใช้แบบไม่คิดไม่อ่านไม่ได้นะพวกเรานะ ทางนี้ทางนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อพูดทางนี้ท้งนั้นก็ให้พวกเราทุกๆองค์นะที่ไปที่ออกไปจากผมผมไม่ให้พวกเราท่านทั้งหลายลืมตัวให้ตัวตราดูตนเองสินและวินัยการเป็นอยู่การบริหารตัวเองการบริหารวัดวาศาสนาการบริหารหมู่เพื่อนการบริหารกิจการงานภายในวัดของเรา ให้อยู่ในกรอบหลักประธรรมพิไไนัยไม่ใช่ออกนอกรูนอกทางทำมาอะไรรู้หลาอุอา่าวผู้ฝ่าจนไม่มองว่าเราเป็นพระไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะขอให้พวกเราทุกๆท่านอันนี้เรื่องเรื่องปัจจัยสี่ก็ให้ทารวมระวังและการเป็นอยู่ที่ผมพูดเบื้องต้นก็ให้มีละมีสัมมาคารวะมีผู้น้อยผู้ใหญ่อันนั้นก็คือ ไม่เห็นมีการทะเลาะเบาแววงกันอันนี้คือการเป็นอยู่แต่ในการเป็นอยู่บริหารเรื่องการปัจจัยสีที่เราได้รับปัจจัยมาสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราได้คิดแต่จะได้มาพูดถึงเรื่องจิตตภาวนาสาหรับพวกเราจุดหัวใจของเราที่มาบวชบวชเพื่ออะไรเราบวชเพื่ออะไรไม่มีอยู่มีกินใช่ไหมหรือเราบวชเพื่ออะไร มันมีหลายปวดแล้วเกินแต่ให้พวกเราท่านทั้งหลายบวดมาคราวนี้เพื่อศึกษาหาธรรมะเข้าสู่จิตใจเพื่อหาทางพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารถึงแดนพระนิพพานอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เด็วพวกเราได้ศึกษานะในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราศึกษาดูสิ พวกเราเชื่อไหมถ้าเชื่อกล็ลองต้องประพฤติปฏิบัติตามนั้นถ้าไม่เชื่อเราจะอยู่ไปทําไมหมดทางไปแล้วเหรอเออถ้าเราไม่เชื่อในหลักพระธรรมวินัยหมดทางไปแล้วเหรอเออมาแอบอยู่แอบกินอย่างนั้นใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นอย่าง น, านั้นเพราะฉนั้นพวกเราเชื่อในหลักธรรมเชื่อในคําสอน เชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นองหลวงตาหมหาบุญคือพระอรหันต์ที่ท่านยังไงถึงจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านปฏิบัติอย่างไรท่านทำตนอย่างไรท่านภาวนาอย่างไรท่านดำเนินอย่างไรอันนี้พวกเราต้องศึกษาพอศึกษาแล้วก็ น, นาดำเนินตามแนวปฏิปทาของท่านพาดำเนินนี่แหละทางของพวกเรา ทำได้อย่างนี้นะปฏิบัติอย่างนี้นะั่นแหละความสบายอกสบายใจแล้วความสุขใจจะเกิดขึ้นมากับพวกเราท่านทั้งหลายแต่หากว่าพวกเราทําไม่ถูกนะอะทําไม่ถูกนะจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะอะจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะตั้งใจภาวนาให้จริงจังและจริงใจการภาวนานะให้ตั้งจิตอธิษฐานเลยละ่ะอ เราบวชมาคราวนี้เพื่ออะไรข้าพเจ้าขอมอบกายแต่วายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อคุณงามความดีต่อหลักเหตุผลต่อหลักธรรมคําสอนของพุทธคือหลักเหตุผลชีวิตของข้าพเจ้าในชีวิตชาตินี้ข้าพเจ้ามอบเพื่ออุทิศเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาฮะอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่ออุทิศอย่างนั้นนะพระเนรลูกหลานนะ เพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่วันไหวไกวแหวง่งในเรื่องโลกกระทำจะมีลาบมียศมีสรรเสริญเอมีอะไรเกิดขึ้นนอะหลวงพ่อจะมองมองดูเอพราะว่าใจของเราเนะี่ยมันมุ่งหวังมุ่งมั่นต่อคุณงามความดีต่อมรรคผลนิพพานเพราะนั้นเราไม่ได้มุ่งหวังต่อโลกามิตทั้งหลายทั้งปวงโลกามิตมันอยู่ในโลกถึงจะรวยก็ตายถึงจะจนก็จจนตาย ถึงจะมีสื่อเสียงก่อตายถึงจะไม่คนนินทาทั่วบ้านทั่วเมืองก่อตายแต่เราจะตายไปประเภทไหนเราจะตายปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมใครจะดุร้าว่ากล่าวใครจะดูถูกเกียดยอำลาภยศชนะเสริญจะเป็นยังไงก็ตามข้าพเจ้ามุ่งหวังมุ่งมั่นจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์จะมาจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารขอให้ถึงพระนิพพานในภพนิชชาตินี้ โดยด่วนโดยเร็วเพราะเกิดมาอาที่เกิดมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าถึงจะเกิดในระดับไหนก็เถอะแก่เจ็บตายก็มีกับทุกรูปทุกนามแลเราก็คนหนึ่งเหมือนกันหนีไม่พ้นอีกจุดนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะพยายามตามจึดแนวแถวพระพุทธเจ้าพาดําเนินอท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย แล้วก็เห็นส ม, มณะเนี่ยเราก็เป็นส ม, มณะแล้วเี๋ยนีเ้เราก็เห็นแก่เจ็บตายก็อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเห็นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นแต่ส ม, มณะเนี่ยเมื่อนั่งหาทางหาความสงบกําหนดดูในใจของตนเองดูกับกิริยาดูโลกถ้าว่าเราจิตใจของเราไม่นิ่งไม่สงบเราจะมองไม่เห็น แต่บัด น, นี้เราพยายามทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งในเมื่อจิตใจของเราสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะมองมองโลกมองได้ทุกระดับความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรชีวิตของมนุษย์จะยืนยาวไปสักเท่าไหร่เมื่อตายไปแล้วเขาได้อะไรเราทำไมเราจึงไปหลงหลงอะไรเราหลงอะไรเราดื่มตัวยังไง แล้วก็มองดูตนเองมองดูดูในมองดูตนเองย้อนเข้ามามองดูตนเองเมื่อจิตใจของเราทำจิตใจสงบแล้วผ่านความสงบแล้วพอมมองย้อนมาตัวเองจะเห็นตัวเองชัดเจนเลยร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องตายจะต้องแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ตัวตนของเรา เราจะไปยึดสิยงทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นของเราจะไปทุกเดือดร้อนกับสิยงทั้งหลายทั้งปวงภายนอกอย่างนั้นใช่ไหมใจนี่แหละมันจะรู้ในใจของตนเองมองเข้ามาหาตัวเองมองเข้ามามองเข้ามาสวนลึกของจิตใจอะไรแเนี่ยเออมันปล่อยวางมันปล่อยวางที่ใจนะไม่มึดไม่ยึดมั่นถือมั่นนไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจ อขนาดใจก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเรายังมองเห็นอีก เ, อเกิดดับเกิดดับเกิดดับลุกเล็กทุกเล็กทุกล็ ก, ล ก, ล ก, ล ก, ลกอันใดจังสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราวางกระทั่งจิตความรู้สึกนึกคิดในจิตใจตรวรู้สึกนึกคิดเดี๋ยกก็คิดเรื่องนั้นหนากคิดเรงนี้นูก็ปุงเรงนั้นก็ปุงเรื่องนี้อมันเป็นตัวสังขารเป็นตัวอันใดจังทั้งหมด เพราะนั้นเมื่อเรารู้ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนะนะความสุขจะเกิดขึ้นในจุดนั้นนะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนี่แหละการภาวนามันปล่อยวางมาเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆจนถึงเข้ามาถึงวางถึงการเป็นอยู่วางเรื่องเหลาบเรื่องยศเรื่องชัน้นิญเอ้น เรื่องอยาติโกโหติการมวัดว่าศา ส, สนาครูบาอาจารย์มองไปเห็นหมดผลในสุดมามองถึงร่างกายของตนเองร่างกายของตนเองก็เจะเป็นของใช้ชั่วครั้งชั่วคราวอีกสักวันหนึ่งร่างกายนั้นก็จะต้องแกช่ชราแตกตายสลายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้จารนัน้นย้อนกลับมาหาตัวผู้รู้คือใจในี่แหละหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี ถ้าในความสําคัญเรื่องนามธรรมาคือใจนะี่มากกว่านะพารุภะลานทั้งหลายแต่พวกเราก็ฟังแน้หละศึกษามาพอแรงแล้วละ่ะแต่ย้ําแล้วย้ําอีกว่าใจเนี่ตัวนามธรรมตัวนี้สำคัญสําคัญกว่าทุกอย่างเนี่ยตัวหลงอยู่มันอยู่จุดนี้แหละทนายคือมันหลงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะมันใจมันเป็นหัวหน้านะมันใจมันเป็นหัวหน้าถ้าหัวหน้าไม่ดีท่านั้นนะ่ะหัวหน้าเกเรหัวหน้า อมีตะกี้เลยราคะโทสะโมหะหัวหน้ า, เ, าเต็มไปเรือยความลุ่มหลงมัวเมาตนเองเอออกมาใช้ร่างกายร่างกายกันมัว่วลุ่มหลงมัวเมาไปเรื่อยเพราะตามหัวหน้าที่เราใช้ร่างกายให้กระทำกระแดงแสดงออกไปการพูดก่อนนนัะเออการกระทําออกไปก็เถอะเพราะใจของเราเป็นผู้ลุ่มหลง มีตัวอวิชชาคือกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในนั้นเพราะนั้นท่านจึงให้มองตัวผู้รู้คือมองดวงใจของเราพอมองเลดวงใจของเรานั่นแหละเมื่อรู้ว่าต้นเหตุทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากตัวนี้แหละตัวตัวผู้รู้คือตัวนามธรรมแหมก็หันความรู้สึกนึกคิดย้อนเข้ามาหาตัวเองมาก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจ เหตุอันอนี้จังทุกขังอนัตตามันเหตุอันอนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วจะไปยึดได้ยังไงอันนี้จังขอมไม่เที่ยงทุกขังอะเป็นทุกมันไม่ใช่ตัวตนของเราในใจนะี่แหละให้พวกเราดูนะทีนี้มาดูจุดนี้แหละดูให้ชัดดูให้ออย่าไปดูแบบผิวเผินนะอพอจากนั้นพอดูเสร็จแล้วกลับออกมาอีกมันพิจารณาอีกมันหลงอะไรหลงร่างกายใช่ไหมดูทดสอบอีก จิตใจของเราไปเห็นรูปสวยๆเป็นยังไงรูปตรงกันข้ามถ้าเป็นผู้ชายกับรูปผู้หญิงเห็นสวยๆเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันเห็นรูปผู้ชายเป็นยังไงมันหลงไหมมันกระเพื่อมในจิตใจไหมจากนั้นกับพิจารณาหรือมันกระเพื่อ ม, มเพราะอะไรตัวตาดูนี่แหละอันนี้ก็คือองค์หลงตาที่ท่านเคยนา ทำมาประพฤติปฏิบัติมาแล้วนะพอท่านจิตสงบท่านก็ภาวนาเห็น เ, เห็นร่างกายาตนเองเห็นร่างกายคนอื่นท่านจึงท่าเลยวะถ้าเป็นหญิงเป็นร้อยเป็นพันสวยๆเดินผ่านจะไม่จะไม่ให้จิตมีการกระเพื่อมแม้ต่น้อยเดียวนะนะความกล้าของจิตใจในที่มันเป็นสมาธินะมันเป็นสมาธิสัมปยุต ด้วยอานิจังทุกขังอนัตตาสัมปทุดด้วยปัญญาแต่เอาเถอะนะมันก็ไม่บอกเขตว่าพ้นทุกข์หมดกิเลสมันยังไม่บอกไม่บอกเขตที่มันมันถึงมันถึงขั้นจบปริญญาจบจุดไหนอขนาดหมอชีวโกโกมารพัฒจุดจบของวิชาแพทย์ของเขาเน่ยเขาก็บอกว่าอาจารย์ก็บอกว่าเขาไปดูในป่าน่ ต้นไม้ต้นไหนที่ไม่เป็นยาต้นไม้ต้นไหนไม่เป็นยาให้บอกมาเดี๋ยวเราจะสอนแปล ว, ว่าวิชายังไม่จบออหมอชีวศึกษาเข้าไปดูในปา่าไปตรวจ ด, ดูต้นไม้ต้น น, นั้นเป็นยานั้นเป็นยัต้นไม้ในป่าเป็นยาหมดทุกอย่างกลับมหาอาจารย์ไม่มีต้นไม้ไหนฟักจะเพืชไหนที่ไม่เป็นยาครับเออนั่นแหละวิชาในจบแล้วนะ อันนี้คือวิชาที่จบอันนี้ก็เหมือนกันว่าพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อพิจารณาดูเห็นอันเนจังทุกขังไม่ใช่ตัวตนเกิดความเบื่อหน่ายคลายเห็นเวลาพลิกจิตพลิกใจเวลาไหนก็เห็นอันเนจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเป็น อสุภะปฏิกูลเป็นของไม่เที่ยงแท้ น, น่นอนเป็นทกุกพิจารณามุมไหนขนาดไหนก็ตามจนเกิดความเบื่อหน่ายจนรู้เกิดยานเกิดความรู้ขึ้นมาใน จ, ใจิตใจอันนั้นแหละมันเป็นเรื่องที่ถึงจุดจบของการพิจารณามันรู้ด้วยตัวเองคือมันอิม่มมันมันเต็มมันพอตัวนะ มันรู้แจ้งเห็นจริงมันพอตัวในถั่วของมันแต่ถ้าว่าเรายัางพิจารณาอยู่จิตใจยังหวั่นไหวก็เพิ่มอยู่นั่นแหละอย่าอย่าไปให้คะแนนอย่าไปให้คะแนนตัวเองเร็วจนเกินไปนะไม่มีมากต่อมากบางคนให้คะแนนตัวเองเร็วเกินไปพอจิตใจสงบลงเป็นหนึ่งเน่งเกิดมาแสงสว่างหรือมีความสุขในจิตใจก็บอกแลยเออตัวเองหมดกิเลสแล้ว หมดราคะโทสะโมหะแล้วไม่มีอะไรแล้วในใจจากนั้นก็เ น, นีน่พูดออกมาต้องหลายองค์หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ฟังๆนะแต่เราก็ไม่ได้ประมาทอะไรหรอกแต่เออเราก็บอกระวังนะบางทีมันอาจจะกิเลสมันอาจจะนอนหมักสยบกบดานอยู่ลึกๆนะเราต้องค้นดูนะ ถ้านเราจะไปให้คะแนนมันเร็วจนเกินไปถ้ามันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่นะมันจะหงายท้องนะผลงานเสียงทั้งหลายทั้งปวงเราจะไปให้คะแนนตัวเองเร็วจนเกินไปลงทบทวนทบทวนแล้วทบทวนอีกเพราะเรายังไม่มั่นใจแต่พอถึงข่าวมันมั่นใจมันมีนะอมันมั่นใจหลอกหรือมันไม่หรือมันไม่มั่นใจจริงมันไม่ มั่นใจหลอกก็มีอีกนะเพราะถ้าปัญญาเราไม่ทันมันจังหวัดสามาธิปัญญ า, าปัญญาวิมุตติยานัศสนะาคือความวิมุตตนะ์ตัดกิเลสย า, า, านะัศสนะก็รู้แจ้งเห็นจริงพระทั้งคอยพวกเราทุกททันนะนั่นแหละเรื่องภาวนานะขอําคัญให้จริงจังและจริงใจนะ ในการประพฤติปฏิบัติถ้าทำไม่จริงจังจริงใจนะหลอกแลห ล, แล่นนะเป็ะโลละเนื้อคณะล้มเหลวโลกเล่กแลก็ล้มเหลว อ, อ, อ, อผลให้ชูเขาไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ไม่เชื่อมั่นในหลักพระธรรมคําสอนมันไม่เชื่อมั่นไปหมดเพราะเองเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่จริงจังและไม่จริงใจ ่ไม่ใส่ใจในแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวมันออกไปจากตัวเองทั้งหมดนะพะลูกพะลานทั้งหลายทั้งปวงนะและวันนี้หลวงพ่อเองก็ได้พูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ให้อยู่ด้วยกันด้วยความพรมเย็นเป็นสุกในขณะที่หลวงพ่อไม่อยู่ก็ให้เคารพซึ่งกันและกันนะอย่าได้มีปัญหา แล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อก็คงจะไปทำธทุระอีกจกักไม่กี่วันข้างหน้าเ้าคงจะคงจะกลับมาแต่วันนี้หลวงพ่อจะมีการ<ม>สวดมนต์และให้พวกเราท่านทั้งหลายที่ผู้ไม่เกี่ยวข้องก็ไปก่อนก็ได้นะกลับไปก่อนแล้วก็ให้กราบพระพร้อมกัน แ, แดีแ๋ย่แรกเราจะนั่นเราจะกราบพระพร้อมกันซะก่อน พอกลาบพระเสร็จแล้วนะพกทูู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็ลับไปกุติก็ได้อันนี้หลวงพ่อมนิมนต์มาประชุมเพื่อจะได้มาหารือกันแล้วหลวงพ่อไปยังไงฮะพวกท่านทั้งหลายจะได้รู้นะหลวงพ่อไปมีภาระจะต้องไปทำรับนิมนต์นิมนต์หลายองค์ที่วัดของเรานะแล้วก็วัดอื่นด้วย แต่ยังไงก็ให้พวกพระลูกพระหลานอยู่ด้วยกันด้วยความผ่อเย็ยนผาสุขท้งอกตั้งใจภาวนาทั้งอกตั้งใจผาเพื่ปฏิบัติครูบาอาจารย์ไม่อยู่นะสนุกเร่งภาวนานะสนุกภาวนาไม่ใช่สนุกคุยกันนะครูบาอาจารย์ไม่อยู่ออกไปออกนอกรูนอกทางอันนั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติไม่ใช่ผู้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำ แสดงว่าอยู่ครูบาอาจารย์อยู่ตัวเองก็ทำอย่างหนึ่งหนีจากครูบาอาจารย์ไปก็ทำอีกอย่างหนึ่งหนะน้าไหวหลังหลอกไปเรื่อยเมื่ออยู่กับครูบาอาจารย์ก็ทำตนเป็นคนดีพอออกนอกวัดครูบาอาจารย์ไปแล้วนะทำอะไรก็ทำได้เหมือนกับอยู่ข้างนอกไม่มีนรกอย่างนั้นไม่กลัวไม่กลัวบากไม่กลัวนรกไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ อยู่นสถานที่ใดให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์จับไฟก่อร้อนหนีจากครูบาอาจารย์ไปแล้วก็จับไฟก่อร้อนเพรก็ทําความชั่วกับชั่ววันยังคำ่ำท่านที่วันทําความดีก็ดีวันยังค่ำอีกเหมือนกันเพราะนั้นให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําเราทําดีแล้วจะชั่วได้ยังไงถ้าเราทําชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรให้เราคิดอย่างนั้นนะ พาลูกพาหลานทั้งหลายน ะ, อะตอนนี้ไปก็กราบพัพระทานแล้วก็องค์ที่ไม่เกี่ยวข้องก็ค่อยเลิกกันนะกลับไปก่อนก็ได้นะพ่อจะซ้อมสวดมนต์ชั่หน่อยวันนี้